และอาวิชาสะวะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดที่เกิดขึ้นแล้วก็จะละเสได้เพราะการใส่ใจธรรมที่ไม่ควรใส่ใจและการไม่ใส่ใจธรรมที่ควรใส่ใจของบุคคลผู้นั้นอาสะวะที่ยังไม่เกิดก็ย่อมเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเรื่อยิ่งขึ้นผู้นั้นย่อมใส่ใจโดยไม่แยบคายอย่างนี้ว่า ห่เราได้เคยเกิดมาแล้วในอดีตการนานไกลหรื K L H R H N อหนอ 2. อหรือว่าเราไม่ได้เคยเกิดมาแล้วในอดีตการนานไกล 3. าเราได้เคยเกิดเป็นอะไรหนอในอดีตการนานไกล 4. เราได้เคยเกิดเป็นอย่างไรหนอในอดีตการนานไกลห้า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 ในอนาคตการนานไกลสิบเราจะเกิดเป็นอะไรแล้วเกิดเป็นอะไรอีกหนอในอนาคตการนานไกลหรือป่ารบปัจจุบันการนานไกลก็เกิดความสงสัยภายในขึ้นว่าสิบเอดเราเป็นหรือหนอสิบสองหรือว่าเราไม่ได้เป็นสิบสามเราเป็นอะไรหนอสิบสี่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 อาสวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อสองเสพปัจจสี่อาสวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะไม่มีนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่าอาสวะที่พึงละได้ด้วยการสองเสพอาสวะที่พึงละได้ด้วยอธิวาสนะ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 เพราะเมื่อเธอไม่เว้นอาสวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะพึงเกิดขึ้นเมื่อเธอเว้นอาสวะที่ทำความยุ่งยากเดือดร้อนให้ก็จะไม่มีนี้แหละภิกษุทั้งหลายเรียกว่าอาสวะที่พึงละได้ด้วยการงดเว้นอาสวะที่พึงละได้ด้วยวิโนทนะคือการบันเทา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาสวะที่พึงละได้ด้วยการบันเทาคือการทำให้น้อยลงเป็นฉไฉนภิกษุในพระธรรมวินนันนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับไว้ย่อมบันเทาย่อมทำให้หมดไปย่อมทำให้ตั้งอยู่ไม่ได้ซึ่งการมวิตกคือความตรึกในการพยาบาทวิตกคือความตรึกในการปองร้ายวิหิงสาวิตก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 เพราะตรัสรู้เรื่องของจิตใจข้อความจากสัพพาสวะสังวรสูตร